ซีดีรวมธรรมบัญญายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมกุณาพรปออประยุตโตวัดยา น, นเวศักวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13อภิธรรมอภิธรรมได้ยินพูดกันบ่อย ควรรู้จักกันไว้บ้างบรรยายเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2549ก็มาคุยกันต่อก็คุยกันไปเรื่อยๆวันนั้นมีบางท่านถาม ถ, ามถึงเรื่องอภิธรรมเอแล้วมีบางท่านสนใจจริงๆหรือเปล่าเรื่องอภิธรรมเนี่ย มีใครสนใจไหมฮะ อ, อ๋อท่านสนใจหรือเรียนมาบ้างแล้วได้เคยฟังรายการพุทธศาสนาทางวิทยุท่านได้พูดถึงศัพท์อพิธรรมหลายคําบางครั้งฟังแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ก็รู้สึกสนใจเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นคิดว่าถ้านํามาประกอบกับพระสุตตันตะที่เราได้ฟังก็น่าจะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครั บ, รบก็เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยแหละ แต่นี้ถ้าหากว่าจะเรียนเนี่ยคนจะมีวิธีเรียนอภิธรรมก็อย่างที่ท่านทราบที่ท่านพูดถึงว่าในขั้นพื้นฐานก็เป็นส่วนหนึ่งหรือองค์ประกอบสําคัญในพระไตรปิฎกที่ว่าพระไตรปิฎกก็คือสามปิฎกพระวินัยยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระพิธรรมะปิฎกอันนี้เวลาเราจะเรียนอภิธรรมเนี่ยเราก็ควรจะทราบเรื่องพระไตรปิฎก อย่างน้อยเห็นเข้าโครงรูปร่างเขาพระไตรปิฎกเรงว่ามองพระไตรปิฎกก็เห็นภาพเลยว่าเป็นยังไงขั้นตอนแล้วต่อไปก็เห็นว่าแล้วในส่วนอภิธรรมเราก็ไปเจาะอีกทีเงี้ยแยกอภิธรรมรุ่นพระไตรปิฎกเป็นยังไงแล้วก็ความเป็นมาหลังจากพระไตรปิฎกแล้วก็มาดูว่าอภิธรรมที่เรียนกันอยู่นี้คืออย่างไร อภิธรรมที่เรียนกันอยู่เนี่ยตามปกติก็จะเป็นอภิธรรมรุ่นหลังพระไตรปิฎกทีนี้ถ้าเราไม่ได้รู้จักพระไตรปิฎกไว้ก่อนหนึ่งทีไปเรียนก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราเรียนเนี่ยเป็นคมภีร์ที่ท่านเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ศึกษาแต่ที่จริงไม่ใช่อยู่ในพระไตรปิฎก โ, โดยมากคำภีร์ที่ใช้เป็นหลักในการศึกษาอภิธรรมทั่วไปก็คือคมภีอภิธรรมมัตจสังคหะ เวลาสวดพระอภิธรรมเนี่ยตามวัดซึ่งเป็นประเพณีมาในงานบัมเป็นกุศลอุทิศเกศผู้ลงลับก็เรียกกัวนว่าสวดพระอภิธรรมก็มักจะมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีอภิธรรมเจ็ดคำพีนั่นแหละเป็นหัวข้ออภิธรรมในพระไตรปิฎก ย, ยกเอามาจาะเป็นหัวข้อ คือว่ามันมีสองแบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่ามาติกาเคยได้ยินไหมส่วนมาติกามาติกาก็แปลว่าแม่บทนั่นคือหัวข้อหัวข้อที่เป็นตัวบทสําคัญสำหรับท่านไปแจกรูปอธิบายอีกทีหนึ่งในมาติกาเป็นหัวข้อคัมภีร์พิธามนี่พอเริ่มต้นก็ขึ้นมาติกาก่อนพอมาติกานี่แหละเป็นแม่บทที่จะนาไปแยกแยะแจกแ จ, กแจงอธิบายที ทีนี้มาติกานี่ก็จะเป็นตัวหกข้อซึ่งอยู่ต้นคำพิอภิธรรมวิปปกไม่รู้จะไปใส่ที่ไหนก็ใส่ที่เล่มแรกกันแหละคือนําเล่มแรกเพราะมันเป็นหข้อของทั้งหมดก็ใส่ในเล่มแรกต้นเล่มแต่ที่จริงมันยังไม่ได้อยู่ในเล่มแรกโดยํานะก็ไม่มีที่จะไว้ก็ไปไว้ที่เล่มแรกขึ้นต้นก่อนพอจบมาติกาแล้วจึงเข้าเล่มแรกแล้วทีนี้ก็ปพิธรรมทีละเล่มก็มีเจ็ด คำพีใจคำพีไม่ใช่เจ็ดเล่มนะเจ็ดคำพีแต่ละคมภีร์มีเล็กบางใหญ่บางบางคัมภีร์ก็มีหลายเล่มรวมแล้วก็สิบสอเล่มเยอะอภิธรรมปีดกในในพระไตรปิฎกบาลีมีสิบสองเล่มแต่ว่าจัดเป็นเจ็ดคำพีนี่เวลาสวดบาลีธรรมแบบเจ็ดคำพีก็สวดแบบทำนองที่เราสวดกันวันพุธ อาจพุธก็จะสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีกระสวดไปตามลำดับท่านจะสังเกตเห็นชัดว่าขึ้นทีละคมภีรคมภีรคำภีรแรกก็ขึ้นกุศลธรรมมาแล้วก็จบแล้วก็ขึ้นรู ป, ปักขันโทใช่ไหมเนี่ยก็คือขึ้นทีละคมภีรก็ะจะขึ้นเจ็ดครั้งเป็นรวมเป็นเจ็ดคำพีเนี่ยอภิธรรมในพระไตรปิฎกอภิธรรมเจ็ดคำพีทีนี้ ตามวัดที่มีพิธีสวดกันอย่างเรียกว่าเป็นงานเป็นการมีศพเข้าไปบําเพ็ญกุศลมากมายเหลือเกินก็จะมีประเพณีสวดแบบที่ว่าเป็นทํานองเขาเรียกว่าสวดสังฆะเคยได้ยินไหมสวดสังฆาเป็นทํานองเดี๋ยวนี้ก็ชัเหลือน้อยลงก็ต้องวัดที่มีพิธีมากๆอย่างวัดพระพิเรนเนี่ย ก็จะมีการสวดแบบนี้สวดสังฆาเป็นทำนองยืดยาวเลยเอท่านเคยไปฟังหรือเปล่าไม่รู้หลายท่านคงเคยไปฟังวัดพระพิเรนไคเคยไปฟังสวดอภิธรรมนั่นแหละแล้วก็วัดอื่นๆก็มีวัดที่เรียกว่าต้องมีการสวดกันจริงๆจังๆมากมายหลายศาลาเลยคืนๆหนึ่งเนี่ยจะมีการสวดแบบสังฆา ที่เป็นทำนองเอื้อนยืดยาวเลยนะคล้ายๆว่าจะให้เกิดความรู้สึกถ้าท่านสวดดีไพเราะไพเราะในทำนองที่ให้เกิดความรู้สึกที่โน้มไปในทางเกิดความจะเรียกว่าสลดใจก็ได้แต่ว่าที่จริงต้องให้เป็นสลดใจในทางธรรมะนะคือจิตใจที่มองเห็นความจริงของชีวิต โนไปในทางที่จะไม่อยากจะโลภไม่อยากจะไปโกรธแค้นชิงชังใครอะไรทานองเนี้ยจิตใจสงบลงสวดสังฆานี่แหละก็คือสวดคมภีร์ที่เรียบเรียงขึ้นหลังพุทธการแล้วก็มาใช้เป็นหลักในการศึกษาพิธรรมในบัดนี้สังฆาแบบเนี้ยพระอาจารย์ที่เรียบเรียงชื่อพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ ก็คือพระอาจารย์ชื่อว่าอนุรุดอนุรุดถัดจาร์แต่ไม่ใช่พระอนุรุดที่เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลไม่ใช่พระอนุรุดอาราหารันองค์นั้นแต่เป็นพระอนุรุดหลังพุทธกาลนั้นนี่ในาออราพศสักพั0หกรหรือพันเไกลมากในลาพศพั0 0กร้อยพเรนี่ยพระอนุรุดหรืออนุรุดถัจารย์เนี่ยท่านก็เรียบเรียงคัมภีร์ ที่ชื่อว่าอภิธรรมมัตสังหานี้ขึ้นอภิธรรมมัตสังหะก็แปล ง, ง่ายๆก็มาจากคาว่าอภิธรรมะแล้วก็บวกกับคาว่าอัฏฐะก็เป็นอภิธรรมัตถะแล้วก็เติมสังหะเข้าไปสังหะนี้ก็แปลว่าประมวลหรือรวบรวมสังหะประมวลรวบรวมที่ไทยเรามาใช้สังเคราะห์สังฆะประมวลรวบรวมแล้วก็อภิธรรมะกับอัฏฐะอัฏฐะก็แปลเนื้อความ และก็อัถฐของอภิธรรมนั่นเองก็ประมวลเนื้อความของอภิธรรมก็หมายความว่าท่านเป็นผู้ชนานาญในอภิธรมธรมอภิโดกท่านก็รู้ว่าในอภิธรรมอปิโดกที่มีมากมายถึงสิบสองเล่มนั้นสาระสำคัญว่างไงบางท่านก็มาตั้งโครงเรื่องขึ้นอย่างที่เราเรียกปัจจุบันว่าเป็นเอา l i n e เลยเนี่ยแล้วท่านก็มาเก็บเอา ความสาระในพระไตรปิฎกนั้นมาจัดเข้าในเ u า l i n e นี้นเพื่อจะให้จําง่ายท่านก็ผูกเป็นคาถาท่องและจําง่ายคาถาก็เลยเหมาะสําหรับสวดที่ว่าเอามาสวดงานศพ ส, สวดสังฆะก็เอาคาถาเนี่ยมาสวดก็ไม่มากเท่าไหร่อะสักสี่สบหน้าเดีมั้งทั้งหมดคมภีรเนี้ยเพราะว่าเหมือนกับประมวลเอาสาระจริงๆ ก็ทนนั้นเองและคำพีนี้ก็มาเป็นหลักในการศึกษาพิธรรมในปัจจุบันอันนี้อภิธรรมมัจจสังหารนี้ก็จะมีคัมภีร์รุ่นหลังจากนั้นมาพระอาจารย์รุ่นหลังเมื่อใช้หนังสือเล่มนี้มาเป็นหลักในการศึกษาพิธรรมก็ต้องมาอธิบายให้ลูกศิกษย์ฟังอาจารย์ที่ชํานาญก็เลยแต่งคัมภีร์ขึ้นมาอธิบายอภิธรรมมัจจสังหาอีกชั้นหนึ่งเกิดเป็นคัมภีร์ต่างๆอีกหลายคัมภีร์เลย คำพีหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็มาใช้เรียนเป็นตำราเรียนของประโยคก้าปัจจุบันประโยคก้าปัจจุบันก็คือเรียนคัมภีร์ที่อธิบายอภิธรรมมัฏฐสังหะเล่มนี้คำพีที่ใช้เรียนนี้ชื่อว่าอภิธรรมมัถวิภาวินีวิภาวินีก็แปลว่าทําให้ชัดเจนแจ่มแจ้งคมภีร์ที่ทําอะไรให้ชัดเจนแจ่มแจ้งก็อภิธรรมมัฏฐ ที่บอกเมื่อกี้คัำพีที่ทาเนื้อความของอภิธรรมให้จะแจ้งก็เรียกว่าอภิธรรมมัธวิภาวินีก็สักแต่ว่าเป็นชื่อแหละสาระสําคัญก็คือไปอธิบายคำภีร์อภิธรรมมัธสังฆะอันนี้ก็จะยาวหน่อยอาจจะสัก2องเจหน้าอะไรแถวนั้ น, นก็มาเรียนประโยคนเก้านี่แหละองค์ประโยคนเก้าเรียนก็เรียนเล่ม น, นี้นี่ท่านจะได้รู้จัก นี่ถ้าเราจะเริ่มเรียนอพิธรรมเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ให้มองเห็นรูปร่างไรสไตล์ทั่วก่อนแล้วก็เวลาเรียนอพิธรรมเราก็จะชัดขึ้นไม่ใช่อยู่ๆก็พุ่งก็ไปที่อพิธรรมเลยบางทีก็เราก็เหมือนกับอะไรลงน้ําโจรผุงลงไปไม่ได้ดูสภาพแวดล้อมว่าฝั่งฝาอะไรมันเป็นยังไงในอยู่ที่ถินไหนโจรลงไปแล้วดําน้าไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ ในการที่ทําความเข้าใจก็เอามาใช้เนี่ยเพราะว่าเป็นคมภีร์สําคัญก็ถือเป็นหลักแล้วก็เอามากําหนดเป็นแบบเรียนในหลักสูตรป ร, ริยัติธรรมที่เราเรียกกันว่าปริเรียนนะเป็นมหาประโยคน์โนประโยคนี้กันไปก็เอามาจากเนี้เลือกเอามาถ้าบางท่านอาจจะสนใจเรียนบาลีต่อไปก็จงรู้ว่าในชั้นไหนเอาคัมภีรไหนมาเรียนอย่างประโยคนก้าก็ใช้เนี่ย อภิธรมรมอวิภาวนิธอธิบายอภิธรมรมตสังหะ ก, ก็เน้นไปทางอภิธรรมเพราะว่าเป็นเนื้อหาหลักวิชาก็ยากหน่อยนี่พอมาประโยคแ8ดก็คำพีใหญ่ขึ้นประโยคแปดนี่คำพีใหญ่กว่ายชื่อว่าวิสุทธิมักเคยได้ยินไหมถ้าท่านจำแม่นเลยเธอแสดงว่าสนใจมานานวิสุทธิมักนี่ก็มีสามเล่มจบเป็นคำภีที่ใหญ่มา พระอาจารย์ผู้เรียบเรียงชื่อว่าพระพุทธโคสอาจารย์ที่ถือกันว่าเป็นผู้เรียบเรียงอัตถกาถาแทบทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดแต่ที่จริงก็ไม่ใช่เรียบเรียงทั้งหมดหรอคือแ ป, แปลแปลจากภาษาสิงหลที่เขาสืบกันมาในลังกาพระพุทธโคสอาจารย์ท่านมาจากอินเดียตอนนั้นอินเดียพุทธศาสนาเสื่อมแล้วมาเจริญที่ลังกา กลายเป็ว่าต้องมาสืบพระพุทธศาสนาที่ลังกาพวกอินเดียแถวนั้นท่านพระพุทธโกศาจานเ่งก็อยู่ที่อินเดียพระพุทธศาสนาจเจริญในลังกาท่านก็มาหาแหล่งความรู้ที่ลังกาลังกาก็รักษาพระไตรปิฎกไว้แล้วก็มีการศึกษาคำภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกที่เรียกว่าอาตัาอาตถกาถาอัตถกถาก็สืบกันมาเป็นภาษาสิงหนคือภาษาของเกาะลังกากที ถ้าต้องเข้าใจไว้นะว่าตัวพระไตรปิฎกเนี่ยรักษาเป็นภาษาบาลีเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการรักษาของเดิมคือหลักการก็คือจะต้องรักษาพุทธพจน์คํารัสของพระพุทธเจ้าไว้ให้แม่นยําที่สุดคงเดิมที่สุดนี่ภาษาเดิมยังไงก็ต้องรักษาอย่างนั้นใช่ไหมพอแปลแล้วมันก็ต้องเพี้ยนแหละแปลแล้วเดี๋ยวต่อไปก็สืบมา ไ, ได้แหละตัวนี้แปลจะคําอะไรก็เถียงกันอย่า คำหนึ่งๆ น, นี่เวลาแปลไปแล้วบางคนก็แปลไปอย่างหนึ่งอีกคนก็แปลไปอย่างหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วไม่รู้ว่าแปลจากคำไหนแน่ในที่สุดเกิดมีคำแปลหลายฉบับแล้วเอามาดูกันไม่รู้ว่าไอ้ตัวคำเดิมคือคำไหนก็นี่ก็เถียงกันสิเพราะว่าคำนี่มันมีความหมายเพี้ยนแตกต่างกันไปได้คำเดียวกันก็แปลไปคนละอย่าง หรือคำเดียวกันในภาษาไทยเนี่ยอาจจะเป็นบาลีคนละคำก็ได้ใช่ไหมยุ่งไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถึงยังไงท่านถือต้องรักษาตัวคำผิดเดิมที่เป็นภาษาบาลีไว้เนในสายพุทธศาสน า, าที่เรียวกว่าเทโรดของเราจะถือเรื่องนี้เรื่องใหญ่มาต้องรักษาคำผิดเดิมภาษาบาลีไว้ให้ได้ตัวพุทธพจน์ทเท่าที่มีมาถึงเรามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นต้องรักษาให้อยู่ให้ได้ครบที่สุดเราไม่ได้หมายความว่าเราได้ครบนะ คือพระไตรปิฎกที่มีมาถึงเราก็มีเท่าที่รักษากันมาได้แต่ว่าจะให้มันหายไปอีกนี่ก็รักษาไป็ภาษาบาลีแต่ทีนี้เวลาเรียนเนี่ยอ้าวคนเป็นชาติไหนภาษาไหนเขาก็เรียนในภาษาขเข า, เขาใช่ไหมอันนี้แหละครับก็เลยมีคำอธิบายของพระอาจารย์คำอธิบายนี้ก็สืบมาในภาษาของผู้เรียน เมื่อเขาจเจริญในลังกาเขาก็ใช้ภาษาสิงห์ผลเพราะฉะนั้นคำพิอธิบายที่เรียกว่าอัตถกถาก็เลยสืบกันมาในภาษาสิงห์ผลก็มีว่าพระไตรปิฎกเป็นบาลีอัตถกถาเป็นสิงห์ผลนีพระพุทธโคตสาจาเนี่ท่านมาจากอินเดียที่ว่าอินเดียพุทธศาสนาเสื่อมแล้วกลายไปว่าต้องมาสืบพุทธศาสนาที่ลังกาอา้าวแล้วทําไง พระไตรปิฎดดกเนอะไม่เป็นไรก็เป็นบาลีภาษาของอินเดียก็สืบมาง่ายหน่อยอันนี้ว่าอาติกถาเป็นสิงหนและท่านมาจากอินเดียแต่ทีนี้พระพุทธโคตรสาาัจจานท่านเป็นนักปราศท่านก็เรียนภาษาสิงหนมาแล้วเพราะตั้งใจจะมาสืบพุทธศาสนาทิฏฐังก า, าก็ต้องเรียนสิงห์นมานั้ท่านก็มาเลยมุ่งมาเพื่อจะเอาคำพิอัติกถ า, านี้ไปให้พวก ที่อินเดียด้วยท่านก็เลยมาลังกาแล้วก็มาขออนุญาตพระมหาเถระที่ลังกาเนี่ยขอแปลอัจถริยสิงห์นเนี่ยกลับเป็นภาษาบาลีก็เลยได้รับอนุญาตแต่ว่าพระมหาเถระท่านต้องสอบภูมิก่อนว่าเอพระพุทธโฆสาจารย์นี่มีภูมิพอไหมที่จะมาแปลเดี๋ยวแปลผิดผิ ด, ผดถูกถูกเสียหมดใช่ไหมเอาอย่างงั้นท่านต้องแต่งคำพีมาให้ดู แสดงภูมิหน่อยเนี่ยแต่งคำภีภาษาบาลีมาให้ดูคัมภีนี้จะต้องเป็นภาษาบาลีเพื่อแสดงภูมิภาษาบาลีสองก็แสดงหลักการพุทธศาสนาด้วยแสดงไม่ใช่รู้เฉพาะภาษาแต่รู้หลักธรรมด้วยเชี่ยวชาญยังไงพระพุทธโกศอาจารย์ท่านก็วางโครงเรื่องของท่านขึ้นมาแล้วก็เรียบเรียงคมภีที่เรียกว่าวิสุทธิมักวิสุทธิมักก็แปลว่าทางแห่งความบริสุทธิ์ ท่านก็แต่งจอกันทั้งจบแล้วพระหมหาเทระเห็นก็โอ้องค์นี้ใช้ได้ก็เลยอนุญาตให้แปลนี่แหละคำพีวิสุทธิมังเขาโครงเรื่องก็คือสีสมาธิปัญญาเ น, นี่ยสิกขาเนี่ยเองก็ยกพุทธพจน์ขึ้นมาคาถาหนึ่งที่มีสีสมาธิปัญญาคาถาเดียวเนี่ยตั้งเหมือนเป็นกระทูง่ะอย่างกระสอบนักธรรม คาถานี้มีศีลสมาธิปัญญาแค่นี้แหละครับก็เรียบเรียงไปได้ในเราพันนะก็ไม่ถึงดีแถวๆนั้นนะ่ะยาวอยู่เยอะนะก็แล้วแต่จะพิมพ์เป็นเล่มแบบไหนนี่แหละท่านก็ต้องเก่งจริงๆก็ เ, เลยวิสุทธิมังกนี่ก็ถือเป็นคำภีสำคัญคล้ายๆว่าได้รวมหลักการของพุทธศาสนามาไว้ในเล่มนี้ ทีนี้ส่วนที่ท่านไปแปลจากคาถาก็เป็นส่วนของคําอธิบายพระไตรปิฎกไปตามลําดับแต่นี้สําหรับพิสุทธิมังคนี่เป็นเรื่องของการที่ท่านประมวลหลักการพุทธศาสนามาเรียบเรียงไว้ก็เลยเอามาเป็นแบบแผนในการเล่าเรียนอีกในประเพณีการศึกษาพุทธศาสนาสืบมาแต่ลงกาไทยเราก็สืบแต่ลงกาด้วยก็ถือคำพิพสุทธิมังค์นี่เป็นแบบแผนสําคัญจนกระทั่ง แทบจะกลายเป็นว่าเราเอาวิสุทธิมรรคเนี่ยเป็นตัวแกนความรู้ของพุทธศาสนาไปเลยแทบจะอ้างอิงวิสุทธิมรรคเป็นหลักจนกระทั่งบางยุคบางสมัยนี้วิสุทธิมรรคแทบจะ บ, บังพระไตรปิฎกเลยคือหมายความว่าอะไรอะไรก็เอาวิสุทธิมรรคเป็นหลักที่จริงมันจะต้องเอาวิสุทธิมรรคเนี่ยมาเป็นสื่อแล้วก็เข้าไปถึงพระไตรปิฎกอีกที แต่นี้เพราะการที่ว่าอาจจะสะดวกเออวิสุทธิมรรคท่านก็รวมไว้ให้ดีแล้วชัดเจนก็อ้างวิสุทธิมรรคก็พอหยุดเลยแทนที่จะต่อไปเข้าพระตไตรปิฎกไม่ไปต่อมาก็เลยกลายไปว่าการเรียนพุทธศาสนาเนี่ยก็มายุดวิสุทธิมรรคเลยการยุดก็ได้ประโยชน์ในแง่ของการศึกษาที่เป็นแบบแผนเดียวกันในเมื่อหลักการชัดก็ดี แต่นี้ในเวลาเดียวกันพร้อมกันนั้นก็จำกัดขอบเขตทาให้ความรู้ที่มีในพระไตรปิฎกนอกเหนือไปจากนั้นบางทีก็เลยไม่ได้ใส่ใจกันในคำปีวิสุทธิมักเนี่ยท่านเรียบเรียงขึ้นท่านเน้นสีสมาธิปัญญาแล้วก็ท่านก็เน้นความรู้สำหรับพระสงฆ์พระสงฆ์จะได้นำไปเป็นข้อปฏิบัติอะไรต่างๆทานองนี้นันโดยเนื้อแท้เองก็เป็นเรื่อง ที่เน้นคําสอนสําหรับพระทีนี้พระไตรปิฎกแนละ้วจะมีคําสอนที่กว้างมากอย่างในพระสูตรเนี่ยมีเรื่องคําสอนสําหรับคนที่อยู่ในโลกโทั่วไปพวกข้ารหัสการงานอาชีพทั้งหลายมีทั่วไปหมดนี้ก็เป็นเหตุให้คําสอนสําหรับค้ารหัสอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนก็เลือนลางลงไปจงกระทั่งว่าพวกฝรั่งมาศึกษาก็หาว่าพุทธศาสนาสายเทรวาต ลังกาไทยเนี่ยเป็นพวกที่เน้นเรื่องของพุทธศาสนาแบบวัดวัดว่างันเขาว่าอย่างนั้นนะคคลายเป็นอะไรเป็นมอนาสติกบุดิซึมเป็นพุทธศาสนาแบบวัดวัดเกิดภาพอันนี้ขึ้นมาก็เราก็ต้องเอามาตือนตัวเองแต่ความจริงก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกพวกนั้นก็เลยไปหาว่าพระพุทธโคษาจารย์เนี่ย คล้ายๆว่าเอาพระพุทธโศอาจารย์เป็นหลักและพพุทธโกศาสจารย์นี้ก็คือผู้ที่มองพุทธศาสนาแต่ในแง่ของคำสอนสำหรับพระสงฆ์ในวัดเท่านั้นกลายเป็นอย่างนั้นไปที่จริงมันน่าจะมองกว้างการมองกว้างคือให้รู้ว่าสำหรับคำภีนี้ท่านมีภูมิหลังที่เรื่องจะแต่งขึ้นมาด้วยเหตุผลนี้เพื่อการใช้สาหรับพระ เราอาจจะมองกว้างออกไปอีกว่าพระสมัยนั้นก็รู้กันอยู่แล้วคําสอนทั่วไปที่ง่ายๆสําหรับคฤหัสถ์คำสอนสําหรับคฤหัสก็ง่ายเช่นเราเรียกว่าสิกขาบท5หรือสินหแล้วก็คําสอนอื่นๆเยอะแยะทิฏ6หรือว่ารวมอยู่ในหลักอยู่ในพัะสูตรที่เรียกว่าสิงขารกสูตรสิงขาลกสูตรนี้จะรวมคําสอนไว้สําหรับคฤหัสเยอะแยะอันตรธาท่านก็เอาไปอธิบายบอกว่า สิงคาลกสูตรหรือฝรั่งเรียกว่าสิกาโลวัทสูตรนี่แหละเป็นขี้วินัยวินัยของครือหัด ก, ก็มีคําสอนหลักหลักสำคัญสําหรับครือหัดบอกไว้หมดเรื่องศีลห้าก็มีรวมอยู่ในนั้นในรูปที่กระจายออกไปแล้วก็มีเรื่องการคบมิตรเรื่องทิศ6เรื่องอะไรเรื่องการจัดสรรทรัพย์ใช้สอยอะไรต่างๆ่นี่การครองชีวิตของครือหัด ก, ก็ถือว่าเป็นวินัยของครือหัด ก, ก็หมายความว่าใั ย, ยุคนั้นเขารู้กันดีอยู่แล้ว แต่นี้ว่าในคำสอนที่ยากก็คือข้อปฏิบัติสูงขึ้นไปในการที่จะมาเอาเข้ากรรมฐ า, านอะไรทั้งหลายพวกนี้เป็นต้นนะซึ่งลึกซึ่งเนี่ยอันเนี้ยมันยากด้วยแล้วก็พระนี่เป็นผู้ที่จะต้องเอาจริงจังพุทธโกศอาจารย์ท่านก็มาเน้นทาตารานี้ขึ้นมานี่ฝรั่งก็มองเป็นว่าหนึ่งสำหรับพุทธศาสนาที่สืบมาปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้ ตามแนววิสุทธิมรรคยึดหลักวิสุทธิมรรคก็เป็นมอนัสติกบุ d ิสุมสองก็ไปมองว่าพระคุณธรโกษส า, าจารย์ผู้เรียบเรียงพร้อมทั้งพระในยุคนั้นสายเทรวาททั้งหมดเป็นพระที่เอาแต่เรื่องวัดว่า ง, งั้นไม่ไม่มองเรื่องชีวิตของกฤหัสไม่ค่อยเห็นแก่ชาวบ้านว่าจะไปช่วยเขาสงเคราะห์เขาสอนเขาอย่างไรกลายไปอย่างนั้นไปอีกมันก็มองได้สองอย่างคือว่า ฝ่ายพระนี่มีคําสอนแคบหรือฝรั่งมองแคบเองท่านว่ายังไงอ่ะท่านว่าพระแคบเองหรือฝรั่งมองแคบว่าไงครับเป็นฝรั่งฝรั่งมองแคบเนีก็อยากที่ว่าคือถ้าเรามองในบรรยากาศแบบชีวิตของพระเนี่ยต้องสัมพัส ก, กับการไม่มีทางเลี่ยงนั้นพระท่านสอนท่านพูดกับชาวบ้านประจาําวันท่านเทศอยู่แล้วใช่ไหม แทนกัสอนชาดกบั่งเอาคําสอนทิศ6บ้างอะไรอะไรก็พูดกันอยู่ประจําวันรู้กันง่ายๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องสามัญทีนี้เรื่องที่เป็นตาําราท่านก็ต้องเขียนในเรื่องที่มันลึกมันยากใช่ไหมแทนก็มาเขียนจุดนั้นนี่ก็กลายเป็นว่าต้องมองแยกว่าชีวิตที่แท้บรรยากาศของวัดมันกว้างกว่า น, นั้นไม่ใช่อยู่แค่ตําราเล่มนี้เนี่ย แต่ว่ามันก็ต้องมองเตือนตัวเองด้วยเพื่อไม่ประมาทก็กลายไปว่าพระยุคหลังเนี่ยบางทีก็เลยเวลาศึกษาพุทธศาสนาก็เป็นไปอย่างที่ฝรั่งว่าเหมือนกันก็บัวมามองเอาแต่คำภีวิสุทธิที่มากเป็นต้นที่สอนในเรื่องเนี้ยหลักพุทธศาสนาเฉพาะที่มันยากมันลึกมันสำหรับพระปฏิบัติสาหรับวัดอะไรเนี่ย ก็เลยมายึดอยู่อันนี้ก็เลยลืมมองคาสอนที่มันกว้างสำหรับญาติโยมคนหัส่งในชีวิตทั่วไปด้วยก็เราก็มองว่าที่เขาว่าก็ดีคือเราต้องเอาประโยชน์ให้หมดแหละใครจะด่าจะว่าเราก็เอามาตือนตัวให้ไม่ประมาทเนะียเขาอาจจะว่าผิดก็ได้แต่เราก็อธิบายว่าเออมาอาจจะเป็นงี้ก็ได้แต่เขาว่ามาก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ประมาทอันนี้ผมก็เลยคุยไปเรื่อย ก็จะได้เห็นภาพความเป็นมาพุทธศาสนาสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยและคมพีวิสุทธิ์ที่มักนี้เพราะเหตุที่ว่าเป็นการรวบรวมหลักการที่ทำได้ดีฉ่านก็เลยมาใช้เป็นแบบเรียนพุทธศาสนาแต่เดิมมาก็ใช้เป็นหลักอยู่แล้วทีนี้พอมาจัดเป็นระบบการศึกษามีชั้นเรียนมีแบบเรียนมีหลักสูตรก็เลยมากาหนดว่าให้ใช้คมภีนั้นในชั้นนั้นในชั้นนั้น คำพีวิสุทธิมักนี้ก็เลยมาเรียนสาหรับประโยค8ปประโยค8ก็ก็เรียกว่าหนักแต่ว่าแม้จะเนื้อหาเยอะแต่ว่าไม่ได้ยากเท่าคำพีของประโยคเกประโยค9นั่นอธิบายอภิธรรมที่เป็นตัวหลักวิชาก็ใช้สัพท์ยากมากนี่มันก็จะเป็นเรื่องของทางระดับปัญญาแท้ ตว่าวิสุทธิมรรคเนี่อย่างที่ผมบอกมีทั้งศีสมาธิปัญญานั้นสั์ในระดับสีนี่จะเป็นศัพท์ที่ค่อนข้า ง, ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยกลายไปว่าวิสุทธิมรรคก็รวมแล้วก็ง่ายกว่าคำภี์ประโยค9กนะีก็มาใช้ประโยค8ประโยค8ก็เรียนวิสุทธิมรรคแล้วประโยค9ทําไงรู้ไหมก็ไม่ได้ทิ้งวิสุทธิมรรคประโยค9ก็มาแปลวิสุทธิมรรคกลับเป็นภาษาบาลี mm. คือวิธีเรียนของพระนี่ถ้าทำอย่างนี้นะ ก็มีวิชาแปลบาลีเป็นไทยหรือแปลมคตเป็นไทยแล้วก็แปลไทยเป็นมคตหรือแปลไทยเป็นบาลีก็มีวิชาหลักเป็นคู่อยู่แค่นี้แล้วก็วิชาอื่นก็อาจจะเติมเข้ามาในบางชั้นแต่วิชาที่เป็นแกนก็มีสองอันเนียในประโยค9กก็แปลอภิธรรมวัถวิพาวินีที่อธิบายอภิธรรมตรสังหาท่วาเมื่อกี้ก็แปลจากบาลีเป็นไทย ผ้ออกข้สอบก็แล้วแต่ปีนี้จะไปคัดเอาองไหนมาออกเอาตัดองค์นี้มาตัดหน้านั้นมาองค์ที่สอบก็บา์ที่สอบมาสิบปียังไม่ได้สักทีปีนี้ก็ไม่ได้ดูแลพอใกล้สอบก็เอาทูบมาปักเข้าไปตรงองไหนก็ดูองค์นั้นอย่างนี้เรียกว่าเสี่ยงทายหรืออะไรว่าอาจจะออกกุงนี้แล้วก็ดูองคนี้พอแล้วอันนี้ชีวิตพระ บางองค์หลายองค์นะเพราะว่าสอบกันมาบางองค์สอบมาสิบปีเลยนะประโยคนเก้าไม่ได้เดี๋ยวนี้สอบกันได้ปีหนึ่งตั้งเดี๋ยวนี้สามสิบสี่สิบต่างกับสมัยก่อนมากสมัยก่อนในปีหนึ่งสอบแล้วไม่ได้สักองค์หนึ่งท่านบอกเอา้าเดี๋ยวจะไม่มีซะเลยไปขาทางให้ได้สักองค์แล้วก็ประกาศมาได้องค์บางปีก็ได้สององค์ปีได้สามองค์อะไรเงี้ยนะยากมาก สอบประโยคก้าเดือนน้อยเดือวนี้ได้กันเป็นสามสิบสี่สิบก็เปลี่ยนไปเลยแปลกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสภาพการเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปในการศึกษาภาษาบาลีอ้าเมื่อกี้ผมพูดอะไรอยู่นี่ก็พูดถึงอะไรเมกกื่อกี้อ้อเรื่องว่าทีอภิธรมธรมอ๋อวิชากาลังพูดถึงวิชาที่เรียนที่สอบ ก็วิชาแปลบาลีเป็นไทยกับไทยเป็นบาลีนี้ประโยค9ก้าก็แปลอภิธรรมัตวิภาวนีที่อธิบายอภิธรรมัตสงังฆะแปลบาลีนั้นเป็นไทยทีนี้แปลไทยเป็นบาลีเพราะท่านเรียนวิสุทธิมรรคมาแล้วประโยคแปตอนนี้อาภาษาไทยที่แปลวิสุทธิมรรคไปแล้วเนี่ยเอามาให้ท่านแปลกลับเป็นบาลีจะแปลได้ไหมก็เลยเอาวิสุทธิมรรคเนี่ยที่เป็นคําแปลไทยเนี่ยเอามาให้แปลกลับเป็นบาลีเขาเรียกว่าวิชากลับ วิชากลับก็คือแปลไทยกลับเปบ็นบาลีก็ปว่าประโยคเก้าก็เอาวิสุทธิมรติที่เป็นคำแปลไทยเนี่ยให้แปลกลับเป็นภาษาบาลีถูกไหมนี่ก็แบบเดียวกันนี้ก็ย้อนไปอย่างเงี้ยประโยคต้นๆก็ไปเอาคำพีของประโยคแรกๆเนี่ยมาแปลกลับแล้วตัวเอง9ก้าไปในบาลีก็ประโยคสูงขึ้น นี่ผมย้อนแทนที่จะพูดจากประโยคต้นๆมาไปพูดจากประโยคสูงสุดย้อนมาแต่ท่านก็เห็นภาพเลยเนี่ยประโยคเก้าก็เลยต้องคุณทั้งอภิธรรมมตวิภาวนีแล้วก็ทั้งอภิธรรมมัตสังหะโดยเฉพาะก็ตัวกำปีที่เรียนอภิธรรมตวิภาวนีก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็ยกตัวอย่างก็พอไม่ต้องอธิบายตลอดหลักสูตรท่านพระรัญโยจะถามอะไรหรือเปล่านิมนต์ คำพีพุทธธรรมนี้มีการกบรรจุในหลักสูตรอะไรบ้างหรือยังนะครับ อ, อผมเขียนกันแล้วแต่ใครอย่าไปใช้แต่ได้ทราบว่าที่มหาจุฬาก็ไปใช้เรียนแล้วก็ได้ตกลงไว้ว่าสําหรับหนังสือนี้ที่เป็นหนังสือหลักๆนี่ไม่อนุญาตให้ใครที่อื่นพิมพ์ขายนอกจากมหาจุฬามหาจุฬาท่านจะได้พิมพ์มาแล้วก็หนึ่งก็เป็นแหล่งเผยแพร่ด้วย สองก็จะได้รวมทุนสำหรับมาใช้ในทางการศึกษาของพระนี่สําหรับโยมตอนหลังนี่ก็ให้ได้ในแง่ว่าอนุญาตให้พิมพ์แจกถ้าคนอื่นก็พิมพ์แจกอย่างเดียวสําหรับมหาจุฬาก็พิมพ์ขายได้ด้วยแต่ตอนหลังนี้มหาจุฬาไม่ค่อยต้องอาศัยเงินประเภทนี้แล้วเพราะมีงบประมาณแผ่นดินสมัยก่อนนี้มหาจุฬาก็อยู่ได้ยากคืองบประมาณแผ่นดินเนี่ยแทบไม่มีเลย สมัยก่อนในสมัยที่ผมอยู่นี่ได้จากงบประมาณแผ่นดินทุกเดือนปีละล้ห้าแสนจะพออะไรละ่ะได้น้อยมากคือมีหนึ่งนะาศาสนสมบัติอันนี้เป็นของคณะสงฆ์สาธาสมบัติกลางนี่ได้ส 0,000 นบาทในปีหนึ่งได้จากมูลนิธิอาเซียสามแสนบาทฝรั่งกุศลมาใหา้มูลนิธิแอาเซียนี่ของอเมริกันส 0,000 นบาทแล้วก็ ต่อมาครับต่อมาอีกต่อมาจึงได้จากรัฐบาลที่ว่าล้านหนะ้าแสนอะไเนี่ยแล้วมาสมัยนี้เขาให้เป็นงบประมาณแผ่นดินเต็มที่แบบว่ามีการทําระบบงบประมาณสมัยก่อนนี้งบประมาณแผ่นดินที่ให้ไปนะั้นไม่ใช่เป็นแบบงบประมาณธรรมดาเป็นเงินอุดหนุนเท่านั้นเองเป็นเงินอุดหนุนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็ให้เป็นก้อนไปว่าฉันให้เท่านี้คุณจะใช้ยังไงไม่เกี่ยวนะ ทีนี้ถ้าเข้าระบบงบประมาณในปัจจุบันนี้ก็จะมีการทํางบว่าเราจะจ่ายในงานนี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็ส่งไปสํานัก ง, งบประมาณพิจารณาอนุมัติมาก็เป็นเงินก้อนใหญ่ปีหนึ่งก็คงก็มากมายไม่รู้กี่สิบล้านหรือเป็นไงล้านไม่รู้นะนะเนี่ยทีนี้มากมายในตอนนั้นมาตุลาก็ไม่ค่อยจะมีเงิน ก็ว่าเออเผื่อเงินที่พิมพ์พุทธธรรมขายได้ไปบ้างไปรวมไปทุนใช้จ่ายในการศึกษาอะไรไปอ่าท่านใครจะถามอะไรนี่หมดขออนุ ญ, ญาตกลับเรียนถามเกี่ยวกับอริพิธรรมอีกเล็กน้อยครับครับคือผมรู้สึกว่าตอนนี้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะได้ฟังสวดพิธธรรมเยอะมากครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เข้าใจความหมายอะไรไม่เข้าใจอ่ะ คือก็เลยอยากจะสอบถามว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ทราบว่าจะสรุปเป็นเนื้อหาที่ง่ายๆแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับว่าพระสวดพิธรรมเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรง่ายๆให้ชาวบ้านได้พอเข้าใจเพื่อจะดึงให้มาสนใจพื่ศา ส, สนาอย่างนี้ไม่ทราบว่าเนื้อหานี้มันจะยากเกินไปไหมครับก็มีผู้คิดนะครับเคยมีโยมทำแต่ว่าพอทำแล้วมันก็ยังยากไปอีกเลยยากอยู่ดีเนี่ยก็เลยมีวิธีการต่างๆ อ้าวก็ง่ายๆอย่างวัดหลวงพ่อปัญญานันทะเนี่ยท่านก็เป็นผู้ริเริ่มในการที่ว่าแทนที่จะมาให้โยมนั่งฟังสวดอภิธรรมทั้งสี่จบก็เปลี่ยนเป็นว่าฟังอภิธรรมจบเดียวแล้วก็ให้เป็นเวลาเทศนะฮะนิมนต์พระไปเทศพระเทศใช้เวลานานหน่อยเพราะฉะนั้นก็แทนสามจบไปเลยนั่นก็เหลือเวลาสหรับสวดจริงๆจบเดียวพอก็เสร็จพิธีเนี่ย ต่อมาวัดอื่นก็เอาตามกันไปก็ต้องยกถวายหลวงพ่อปัญญานันทะว่าท่านก็มีความดำริที่ทําไงจะให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนไม่ใช่มาฟังกันไปไปไม่รู้เรื่องที่ฟังไปก็คุยกันไปไม่ได้ฟังด้วยซ้ำหนึ่งฟังไม่รู้เรื่องสองแทนที่จะฟังไปคุยเสนด้วยซ้าก็เลยไม่ได้ความ สมัยก่อนเวลาสวดเขาก็สวดเป็นเพื่อนศพเขาสวดตลอดคืนมันก็เลยงอกมีการสวดอื่นเข้ามาจกนกระทั่งเอาค้ารือหัดมาสวดด้วยทียนี้การสวดก็ไม่จํากัดอภิธรรมมีสวดพระมาลัยเคยได้ยินมไหมอ้าวนี่ท่านไม่ได้ยินแล้วพระมาลัยสวดพระมาลัยก็พระมาลัาา ย, กาายก็นี่แหละไปสวรรค์ไปนรกไปดูไปสัมภาษณ์พระมาลัยท่านไปสวรรค์ท่านก็นไปสัมภผัสเทวดา เออท่านทําอะไรมาจึงมาเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้เน่ยเทวดาก็เล่าข้าบเจ้าทําความดีทําบุญกุศลอันนั้นมาเกิดเป็นเทวดานี่แหละนี่พระมาลายท่านก็ลงนรกก็ไปสัมภาษณ์สัตว์นรกอีกก็เออเธอทําอะไรมาจึงมันรำ บ, บากระ บ, บุรับโทษอย่างนี้ตกกระทะทองแดงอยู่นี่สัตว์นรกก็เล่าให้ฟังนะก็เลยเป็นเรื่องพระมาลัย เก้เาเรื่องพม่าไหลมาสวดก็สนุกหน่อยถูกไหมเออนี่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วอา้าวแล้วก็มีการสวดพมาา่าไหลนี่สวดพม่าไหลมันจะให้สนุกจริงเหมือนก็ต้องออกเสียงด้วยนีตอนนี้เวลาสัมภาษณ์มีเรื่องของคนไปทํากรรมชั่วกรรมไม่ดีมีเรื่องกระโชกโขกหากเรื่องของการขู่การตะกอกการทํำลายการพูดอะไรกันนะพระสวดก็ชักทําเสียงแล้วทีนี้ <_ d un> ออกเสียงดุดันบ้างอะไรบ้างนะกระแทกกระท่านทำเสียงไม่พอทีนี้ตลปัดที่ใช้สวดกระแทกอีก <_ d un> ยกตลปัดขึ้นมากระแทกลงไป <_ d un> นี่ก็สวดกันโอ้สนุกสนานใหญ่ <_ d un> ชาวบ้านก็สนุกด้วยสิเชือนี่พระสวดมันก็สนุกได้ไม่มากก็เลยเอาโย ม, มาสวดอีกโยพวกนี้ก็ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวดีสนุกดีใช่ไม ก็เอาแป้งเปิ่งมาผัดทาหน้าให้มันสมอีกเด้ให้เข้ากับเรื่องอีกอ่าก็ทาหน้าทาแต่งหน้ากันอ่าเอาต่อไปแต่งหน้าแต่งตาไม่พอเอาเหล้ามากินด้วยเลยพวกสวดมาเลยคาิหัดนี่กินเหล้าสวดก็มีอีกสวดไปสวดมาเนื้อเรื่องไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้สวดอะไรก็เลยกลายเป็นศัแต่ว่าเป็นเพื่อนสม ก็สนุกสนานไปเนี่ยประเพณีมันเพี้ยนเลยหลงมาถึงเราเนี่ยมันไปกันใหญ่นะแล้วก็ทานองทาเนืองไปกันพิสดารต่อมาทางการต้องห้ามเนีก็เลยท่านไม่ได้ยินและต้องประกาศห้ามเป็นประกาศของในหลวงห้ามสวดพราะมาไหลแบบนี้แบบนี้เนีเป็นอะไรเป็นอาญาแผ่นดินหรือว่าเป็นความผิดต้องลงโทษเลยให้ราการที่เท่าไหร่ ก็มีมาตลอดลอย่างสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็มีกฎหมายส่งที่พระประพฤติอะไรต่างๆท่านก็ออกกฎหมายมาใช้จับให้ทําอย่างนั้นพวกศิยศาสตร์เนี่รยรัชกาลที่หนึ่งทรงห้ามมากเนี่ยเราไม่ไปดูกฎหมายรัชกาลที่หนึ่งทรงระมัดระวังมากว่าพระที่ไปเที่ยวทำศิษยศาสตร์นี่ถือว่าทําให้พระศาสนาเสื่อมท่านก็เอาจริงอจังให้จับมาลงโทษเลยพวกนั้นะ สมัยนี้กับย่อหย่อนสู้สมัยในหลวงราชการที่หนึ่งไม่ได้ลองไปอ่านกฎหมายสงเงี้ยสมัยกฎหมายตราสามดวงเคยได้ยินไหมนั่นแหละนี่ก็มีอยู่ในตู้นี่ก็มีกฎหมายตราสามดวงในนี้ก็มีตอนหนึ่งเป็นกฎหมายสงอ้าวต่อมายุคหลังๆนี่ก็มีคณะสงฆ์ก็ต้องใช้พวกคาสั่งของคณะสงฆ์นะ่ะกฎมหมาเทศสมาคมคำสั่งมหาเทศสมาคมอะไรพวกเนี้ย ขึ้นมาคอยกำกับคอยระมัดระวังอันนั้นก็เป็นเรื่องสวดพระมาลายเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วนะไม่ค่อยมีแต่ว่าบางแห่งได้ทราบว่ายังมีแต่ก็ต้องสวดอยู่ในกรอบที่ว่าพอประมาณก็เป็นทํานองที่แปลกออกไปเนี่ยสวดพระมาลายนี้ต่อมาเมื่อกรุงเทพจเจริญขึ้นไป วัดต่างๆมีการสวดที่เป็นเรื่องของกิจการงานใช่ไหมไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมีงานก็ตัวอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปทําวิธีวัดนั้นต่อมาก็จะมีวัดที่เป็นผู้เหมือนกับชนานาญการในเรื่องของการจัดงานศพไปเลยเนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงเทพต่อมาก็มีวัดที่มีเมนแหละเอาละสิสมัยก่อนนี่เขาไม่ได้ใช้เมนด้วยซ้ำตามต่างจังหวัดนะ่ะเขาเผาเขาก็มีไอเชิงตะกรอะไรนะั้นน่ะ มาแล้วก็ไปวางศพเผากันนี่คนไม่มากนี่ครับไม่ได้เผาบ่อยอยู่ใกล้วัดไหนก็เอาพากันไปทํางานศพที่นั่นที่โน่นที่ที่นี่ทีใครจะไปจัดไปกิจการได้นี่พอกรุงเทพจเจริญขึ้นคนขับข้างขึ้นมาเอาและเริ่มมีวัดที่เผาศพแล้วก็ชุมชนอยู่กันมาก จะเที่ยวเผาเรื่อยป่วยไปที่มันก็ไม่อํานวยควันควรมันก็ไปรบกวนประชาช น, นก็ต้องสร้างเมนตอนนี้ก็เลยเริ่มมีเมนเนี่ยเมนปัจจุบันมามีในกรุงเทพนี่แหละครับก็สร้างเมนเกิดขึ้นหลวงพ่อพระพิเรนนี่เป็นผู้ชํานาญนักในเรื่องสร้างเมนถึงก็ได้รับนิมนต์ไปสร้างในประเทศลาวอะไรอย่างนี้เป็นตน้นอ๋อท่านชํานาญมากตามจังหวัดต่างๆนี่ท่านไปเที่ยวสร้างอาจจะแทบทั่วประเทศเลยตอนนั้นมีวัดที่มีเมนไม่กี่วัด หลวงพ่อพิเรนีิท่านชํานาญเหลือเกินพราะสร้างเมรุขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับสร้างเตาเผาอ่ะเตาเผาศพพอสร้างขึ้นมานี่เอาศพเผาแล้วควันไม่ขึ้นคือควันเนี่ยมันต้องขึ้นปล่องถ้าคนที่สร้างเก่งเนี่ยมันจะดูดขึ้นปล่องไปดีเลยทีนี้คนสร้างไม่เป็นไม่ชํานาญชํานาญแต่ก่อสร้างแต่ไม่รู้วิธีการในการจัดไอเรื่องเมรุเนี่ยให้มันดูด ลมขึ้นไปเนี่ยเผาศพแล้วเนี่ยมันออกเป็นควันทางประตูที่ใส่ศพเข้าไปเนี่ยประตูที่ใส่ลงอะ่ะมันก็ออกมาอบอวนแล้วก็มาทําให้คนที่นั่งที่อยู่แถวนั้นเหม็นก็ว่าพิเรนเนี่ยตอนยุคหลังหลวงพ่อท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยมีการซ่อมเหมน็นตอนหลังนี่เผาปรากฏว่าควันออกทางประตูไอ้ที่ใส่ลงเข้าไปเนี่ยมาเหม็นคนที่ไปนั่งในพิธี ขณะนี้การสร้างเวทไม่ใช่ง่ายๆหลวงพ่อท่านชำนาญว่า ก, ก็สร้างเวทปั๊บนี่ขวันขึ้นปล่องอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นที่เรื่องลือว่ามีความเชี่ยวชาญชำนาญมากใครจะสร้างเวทต้องนิมนต์ไปแลนะ้วจนกระทั่งไปถึงต่างประเทศก็นิมนต์ท่านไปช่วยสร้างให้นี่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินแล้วท่านก็สร้างเวทกันมา นี่ก็วัดที่ชํานาญในเรื่องการเผาศพก็จะมีเป็นบางวัดไม่กี่วัดแล้วอันี้ต่อมาก็จะสวดแค่เที่ยงคืนไม่ตลอดคืนแล้วพอมาเป็นงานเป็นการขึ้นก็สวดเที่ยงคืนต่อมาต่อมาคนในกรุงเทพนี่ภาระทุนละอะไรแต่ อ, อะไรมากการเดินทางก็ลาบากบางคนก็อยู่ไกลก็เลยลดหดสั้นเข้าจากเที่ยงคืนก็เหลือสี่ทุม ก็สวดสี่จบก็จบสี่ทุมเอานะนี่ภาพสมัยก่อนสมัยผมยังอยู่วัดพิเรนเนี่ยสวดแค่สี่ทุมสวดสีส่ทุ่มนี่ยาวนานมากคือถือเป็นประเพณีเลยสวดศพก็สี่ทุมจบแล้วต่อมาก็มีการเลี้ยงข้าวต้มแต่ก่อนไม่มีอะแต่ก่อนก็มีแต่เลี้ยงเครื่องดื่มพวกอะไรน้ำโคคาโคล่าเป๊ปซี่อะไรไปตามเรื่อง กินสปอตอะไรใช่ไ ส, สมัยก่อนมีเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่ากินสปอตเขายังมีเลยอ่านั่นแหละก็เลี้ยงกันแล้วก็ต่อมาก็เลี้ยงเข้าต้มก็ไปเอาสี่จบก็จบสี่ทุ่มต่อมาชักมีเมนเกิดขึ้นในวัดต่างๆมากขึ้นมากขึ้นบางวัดก็สั้นเข้าสั้นเข้าเหลือสองทุ่มครึ่งเฉ่งกระตั้งปัจจุบันนี้ได้ยินว่าบางทีก่อนสองทุ่มจบแล้ว เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คนต้องการให้สั้นเพราะมีภาระธุระกันเยอะชีวิตเร่งรีบคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีชีวิตที่เร่งรีบชีวิตสบายๆไม่ต้องแข่งกับเวลามากนะักเวลาค่อนข้างเหลือเฟือมันก็เลยเป็นวัฒนธรรมของไทยที่เราไม่ค่อยเห็นความสําคัญของเวลาผัดเพี้ยนเวลากันเรนะื่อยนัดไปเป็นนัดอะไรอย่างเงี้ยทำไมเหมือนอย่างเมืองฝรั่ง แต่ตอนนี้วิถีชีวิตมันก็เข้าระบบแบบระบบแข่งขันชักเป็นแบบพลังเลยต้องรีบต้องร้อนเวลาจำกัดไปหมดนี่ก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งไปกระทบกระเทือนต่อประเพณีวัฒนธรรมโบราณก็เลยเอามาเล่าประกอบไว้เนี่ยการสวดอภิธรรมเหล่านี้วัดชำนาญเท่านั้นก็จึงจะสวดสังฆาถ้าเป็นวัดทั่วไปก็สวดอภิธรรมเจ็คัมภี์อย่างที่ว่า เพราะว่าจะง่ายหน่อยไม่ต้องไปฝึกอะไรกันมากผมสวดสังหารี่ต้องฝึกกันมากครับต้องซ้อมกันสวดให้เพราะสวดให้เข้าจังหวะเป็นทํานองที่ดีอะไรต่างๆเอื้อนใช้ลูกคอเยอะอ้าวใครจะถามอะไรบางหละ่ะผมก็เลยเล่าไปเรื่อยๆถือว่าเป็นรายการเกรดเป็นความรู้ประกอบได้เห็นภาพทั่วไปด้วยเมื่อกี้นี้พูดเรื่องอริธรรมนี่ไ ป, ไปมามาเรื่องนี้ อิธรรมก็อย่างที่พูดวันก่อนคือเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเนื้อหาธรรมะล้วนๆโดยเจาะจงแสดงตัวสภาวะสภาวะก็คือตัวความจริงของธรรมชาติแท้ๆ ท, ที่ไม่มีการมาสมมติบัญญัติว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็เรียกว่าก็มีแต่รูปธรรมนามธรรมอะไรเงี้ยนะก็พูดกันกันว่าสภาวะตามธรรมชาติอะไรคืออะไร บอกคืออะไรเป็นอย่างไรส่วนมากก็จะแค่คืออะไรเป็นรูปเป็นนามเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณอะไรต่างๆแล้วก็เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรก็อาจจะบอกมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนั้นตาอาจจะมีบอกบ้างแต่ตอนทาอย่างไรนี่อภิธรรมแทบไม่เกี่ยวแลวนี่เลยนะนี่ถ้าคนไม่ศึกษาพะสูนก็ไอตอนทาอย่างไรนี่ไม่รู้จะทำยังไงเลย นีพระอวิธรรมท่านบอกสภาวะนี่เข้าใจใช่ไหมคืออะไรบอกเป็นอย่างไรบอกทีนี้ตอนทําอย่างไรท่านไม่เกี่ยวแล้วทำอย่างไรเอาไปใช้อย่างไรก็เหมือนกันก็คือทําอย่างไรทีนี้ตอนทําอย่างไรอภิธรรมจะพูด ก, ก็เป็นเรื่องของอาจารย์แหละอาจารย์ที่สอนอภิธรรมก็อาจจะามาสอนลูกศิษย์ให้ปฏิบัติอย่างนั้นนี่ที่จริงไม่ใช่หรอกเป็นเรื่องของอาจารย์ อาจารย์มาพูดโดยใช้แนวพระสูตรหมายความว่าตัวเองก็ใช้แนวพสูตรนั่นแหละมาเอาหลักวิชาแนพิธรมไปก็ในพระสูดท่านก็สอนอยู่แล้วใช่ว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาเราจะทํำยังไงเมื่อสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาเอาง่ายๆไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงท่านจะต้องไม่ประมาทอย่างนี้เป็นตน้นนี่ไอตอนที่บอกว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายหรือชีวิตเราเป็นต้นเนี่ย อภิธรรมนี้ก็อาจจะไม่พูดเด้๋ยว่าคนเราไม่เที่ยงเลยครับไปพูดแต่รูปเวทนาสัญญาใช่ไหมคนๆ น, นี่ชีวิตชีวิ ต, วตไม่พูดทีนี้พอพระสูน่นี้ท่านเอามาพูดให้เห็นเป็นเรื่องจริงในชีวิตที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยบ่าคนเราเนี่ยชีวิตนี่ไม่แน่นอนเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพ่อเป็นลูกอะไรมันก็พลัดพรากจากกันอใ น, นอภิธรรมมีที่ไหนพ่อลูกไม่มีหรอกใช่ไหมในอภิธรรมนี่พ่อลูกครอบครัว พี่น้องไม่มีทางนั้นไม่ถึงอ้ น, นี้มันเป็นสมมติบัญญตัตินั้นพระสูตรก็มาพูดสิจะเป็นพี่น้องเป็นญาติเป็นเยศในความตายมันไม่เอาด้วยนะมันไม่เข้าใครออกใครจะไปเรียกร้องกับมันไม่ได้ก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ในเมื่อมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงเราจะต้องพลัดพรากจากกันในวันใดวันหนึ่งเราจะทําไงก็ต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนี่ พระสูตรสอนถึงนั้นอภิธรรมไม่มีหรอกครับอภิธรรมจะไม่มีการสอนว่าคุณจะมีชีวิตอย่างไรไม่เกี่ยวพ่อแม่กับลูกจะปฏิบัติกันอย่างไรสามีพันยาอย่างไรพี่น้องอย่างไรไประกอบอาชีพอย่างไรไม่เกี่ยวเท่า น, นั้นอภิธรรมไม่เกี่ยวเพราะนั้นเรื่องของพระสูตก็จะสอนหมดก็แปลว่าตอนเนี้ทำอย่างไรเลยใช่ไหมเมื่อสภาว่าเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาแล้วเราจะมีชีวิตอย่อยางไรดีหนึ่งต้องไม่ประมาท นี่ก็คําสอนในพระสูตรหรือว่าให้รู้ทานความจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นจะเป็นโมโศกเศร้าอยู่ทําไมอันนี้ก็คําสอนพระสูตรอีกแหละนี่คือพระสูตรจะสอนบอกวิธีปฏิบัติดําเนินชีวิตให้เลยก็คือความรู้ที่แท้ในสภาวะแบบอภิธรรมเนะี่ยก็ออกสู่ภาคปฏิบัติในพระสูตรนี้พระอาจารย์จะมาสอนก็คือสอนในพระสูตรนะแม้แต่เป็นอาจารย์อภิธรรม เวลาที่มาสอนลูกศิษย์ว่าให้ใช้ประโยชน์จากความรู้นี้อย่างงี้เงียก็คือสอนพระสูตรนั่นเองเ <c oughs> ข้าใจไหมอันนี้แยกได้เลยเนี่ยอภิธรรมดัะนั้นถ้าวิธรามก็เป็นเนื้อหาวิชาไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีสถานที่อะไรต่างๆไม่เกี่ยวเท่านั้นแต่พระสูตรนี่จะบอกหมดสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันนะหรือประทับอยู่ที่พระเวรุวันนะหรืออยู่ที่เขาคิชกูฏนะ หรืออยู่ที่ป่ามหาวันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอวเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสาวัตถยังวิหรติเชตวเนนาตบินติกัสสอาราเมเออะไรเงี้ยก็พระ ส, สูตรจะบอกหมดอภิธรรมขึ้นมาไม่มีเลยเพราะฉะนั้นธรรมะอภิธรรมไม่มีสถานที่ไม่บอกพระพุทธเจ้าตรัตธรรมะนี้ที่ไหนแก่ใครไม่มีเท่านั้นที่เรารู้กันเนี่ยก็มาจากพระ ส, สูตรแปลว่าพระ ส, สูตรนี่บอก บุคคลสถานที่เหตุการณ์เรื่องเป็นมายัางไงแล้วคำสอนภาคปฏิบัติจะใช้จะทำอะไรดำเนินชีวิตอย่างไรเนี่ยพระสูตรก็จะทำให้เราได้ความรู้เหล่านี้หมดอวิธรรมก็เป็นเรื่องของตัวเนื้อวิชาแท้ๆอย่างที่ว่าอา้าวหมดเวลาใช่ไหมอ้าว้าต่อให้มันจบตอนสะนิดหนึ่ง ที่แท้นั้นคําสอนที่เป็นแกนอวิธรรมเนี่ยมาจากพระสูตรอย่างพระสูตรสําคัญทุกขันเนี่ยให้ไปดูอย่างพระสูตรเล่มสิบหนี่ก็แกนของพวกปฏิจจสมบาติเล่ม16กนี่ปฏิจจสมบัติแทบทั้งเล่มเลยเรียกว่านิทานนวักคำว่านิทานนะเปรเหตุนะไม่ใช่นิทานเรื่องเล่าในภาษาไทยนิทานเปรตเหตุนิทานว น, านวักก็คือเรื่องปฏิจจสมบัติเพราะนั้นเล่มสิบหนี่แทบทั้งเล่มปฏิจจสมบัติ ลเล่มสิบเดเล่มสิบเจก็เรื่องขันห้าแทบทั้งเล่มเลยเรียกขันทวารวัตรนี่เรื่องธรรมะในนั้นก็คือตัวหลักธรรมในขั้นปรมัตสนี่แหละแต่ว่าเริ่มเรื่องก็จะบอกว่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับที่นั่นนะฮะแล้วก็ใครมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสตอบใครหรือทรงอธิบายกับใครแล้วก็ต่อไปเล่มสิบแปก็จะเรื่องอายตนะ อายตนะ6กตาหูจมูกดิ้นกายใจอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไปเล่ม19เล่ม19ก็จะอธิบายหลักธรรมที่เพิ่งภาคปฏิบัตินี่แหละภาคปฏิบัติแต่เป็นตัวเนื้อปฏิบัตินะเป็นองค์ธรรมในการปฏิบัติก็จะเป็นตัวเนื้ออย่างเช่นอย่างเรื่องมร์อย่างเงี้ยมร์มีองค์8เรื่องโพชชงเจ็เรื่องอิธิบาตสีเรื่องสติปัฏฐาน4ี่สติปัฏฐาน4ี่ก็อยู่เล่ม19เนี่ย รวมแล้วก็คือหลักธรรมที่เรียกว่าโพธิปักเทียธรรม37ประากาเนี่ยอยู่เล่ม19ธรรมะภาคปฏิบัติที่นำไปสู่การตรัสรู้อยู่เล่ม น, นี้หมดเลยแล้วธรรมะในเนี่ยเล่ม 16, 1ห1ส1 8เเนี่ยเข้าไปเป็นแกนหลักอภิธรรมเเพราะนั้นพื้นอภิธรรมแท้ๆเนะี่ยอยู่ในพระสูตรเสร็จแล้วเวลาจะเอาธรรมะที่ไปเรียนอภิธรรมมาใช้ประโยชน์ ก็ต้องสอนแนวพระสูตรอีกแหละพระสูตรก็ทั้งเป็นฐานให้แก่อภิธรรมแล้วก็เป็นตัวดึงเนื้ออภิธรรมมาใช้ประโยชน์ด้วยอ้าที่มนุษไม่ทราบว่าที่มาเรียบเรียงเป็นพระภิธรนจริงๆเนี่ยเรียบเรียงขึ้นในสมัยไหนยุคไหนครับอ้าเมื่อกี้บอกแล้วไงคืออภิธรรมแยกเป็นในพ ร, ระไตรปิฎกกัที่เป็นคำพิอธิบายรุ่นหลังอย่างที่เรามาใช้เป็นหลักในการศึกษาปัจจุบัน มักจะใช้คัมภีอภิธรมรมมัจจสังขารและคมภีประกอบจะบอกแล้วว่าอภิธรมรมมัจจสังขานั้นพระอนุรุท ธ, ธาจารย์เป็นผู้เรียบเรียงในราพพศนห0ร้อหรือพันเนักปราชญ์ก็ไม่แน่ใจนักประมาณนั้นประมาณพศอพ0 0หกร้ 1, หลังพระพุทธโกศอาจารย์ที่เรียบเรียงวิสุทธิมักเยอะพระพุทธโกศอาจารย์ไปสีลังกาไปแปลคัมภีอัตถกถาจากสิงห์นุนเป็นภาษาบาลีลิมคต เรียบเรียงวิสุทธิมรรคแปลแต่กฐานนั่นพอสอ0เก้าร้อยเศษก็เอาแล้วมันนะถ้าท่านไม่มีอะไรสงสัยวันนี้ก็คงหยุ ด, ดันตอนนี้ก่อน